อุตสาตัดได้แล้วจะใจอ่อนอีกหรอือจะเปิดประตูบาปให้เธออีกหรอือจะเอาเครื่องขวางการภาวนากลับมาอีกหรอือวันนี้บังเกิดความเห็นชัดว่าการภาวนาให้ตลอดรอดฝั่งมักผลนั้นต้องอาศัยกําลังใจต้องอาศัยความเด็ดเดียวอย่างมากทีเดียวการภาวนาเพื่อมากเพื่อผลอย่างแท้จริงไม่ได้เริ่มต้นด้วยการตั้งสติรู้กายใจ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 สิ่งที่เคยผิดมาแล้วก็ไม่ทำซ้ำสิ่งที่เคยถูกมาแล้วก็ยิ่งทำให้มากขึ้นเหมือนคนเคยเดินผ่านเส้นทางสู่จุดหมายเดิมถึงแม้กระปลกกับเรียกเพียงใดก็ต้องจำหลุมบ่อจำขวากน้ำตลอดจนทางลัดได้อยู่ยอมไปถึงจุดหมายเราขึ้นเป็นธรรมดา